เป็นบอดคือคาคืา้างฮะ <c oughs> เป็นไงไหวไหมฮ้มกำลังเป็นเพลินฮะไหวไหม <c oughs> อืม สูผู้เท่าก็ได้เดอนน่นเท่าฮะทีหลายรอบเออนั่งบังคับนั่งดัดยู่นี่แหละเอะอเอาเราซือ้อสวดมณ์เราซือ้อสวดมณ์แจกสาสติด้วย อเออไอสวดมนตามวัดเราหน่ะเราไม่ได้พาสวดยาวเลไหนของเราอยู่ไหนเอาไปไว้ไหนหมดอ่ะมีอะไรนั่งดัดมันนั่งบังคับมันนั่นแหละมันดือ้อจิตมันดือ้อดื้อหรือไม่ดื้อดูที่ฝึกจิตตัวเองแล้วถึงจะรู้จัก ไปหานฝึกคนอื่นนะไปหานโกรธให้คนอื่นเครียดให้คนอื่นเอาแต่จิตตัวเองมาอยู่อ่ะแค่นี้มันก็อยู่แล้วคนเราศัตรูจะแท้อยู่ในใจอะสู้มันไม่ได้ทีหาอปวดใส่ข้างนอกนั่งฟันนั่งซับมันอยู่นี่แหละ นั่งดัดมันอยู่นั่นแหละนั่งกันหลายคนก็ต้องได้บังคับตัวเองตอนนั่งคนเดียวเราก็หงายท้องไปแล้ว หลายคนมันช่วยพยุงกันได้ทำให้เรามีข้อเปรียบเทียบเขาทําได้เราต้องทําได้เขาอดได้เราต้องอดได้เขาทนได้เราต้องทนได้อาศัยความละอายอย่าลืมว่าความละอายนี่ช่วยคนให้ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์นะ ดูเรื่องพ น, นันธาสิละอายแหละละอายมูลแหละดัดใจตัวเองได้ตัดอะไรจากภริยาได้เมียใหม่เมียแต่งใหม่นะ่ะเคยอยู่ด้วยกันไปทรงบาทพูที่เจ้าถามเธอจะบวชหรือตายจ้ะบวชแต่ปากใจไม่ได้บวช ตอนหลังมาตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้ามุขยาวล่อเพื่อให้เอาใจออกจากนางนั่นนะ่ะออกจากนางก็ไปอยู่กับเทวดาใจนะเพราะเทวดามันงามกว่านางนั่น น, นะนางที่แต่งงา น, น, นออกจากเทวดาชั้นต่ำๆขึ้นไปชั้นสูงขึ้นไปขึ้นไปชั้นละเอียดขึ้นไปขึ้นไปชั้นละเอียยิ่งงามงามงามงามงามติดไปติดอยอะชั้นงามที่สุดนะ่ะ เธออยากได้ไ้ยอยากได้ไหมอยากได้ไปเจ้าค่ะอยากได้อยากได้นังฟ้าเออเดี๋ยวลงไปเธอตั้งใจภาวนานะเราจะเอาให้เออวียนวิธีมาตั้งใจภาวนาเนี่ยมูเพื่อนเขาเห็นแปลกเนะี่ยเมื่อก่อนนี้นัทธาภาวนาไม่ได้เลยคิดถึงแต่นางชนบทกาลยานี ผมเห็นตั้งใจภาวนาไปภาวนามาก็เลยเรื่องมันก็เลยเล็ดร อ, อดออกมาว่านันทาหนีว่าตั้งใจภาวนาเพราะพระริเจา้ารับประกันว่าจะเอานางฟ้าให้ <c oughs> คนนั้นก็นสุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบเฮ้ยภาวนาอยานางฟ้าโอ้ละอายกใจอะไรท่นี่อู้เราทำไมภาวนาอยากได้นางฟ้า <c oughs> วาะะ่ะคนอื่น คนอื่นเขาอยากได้มักได้ผลได้นิพพานะเราเพิ่นอยากได้นางฟ้าบ้าอะไรก็ไมู่้ละอายใจใจตัวเองแน่เกิดฮีริในใจของตัวเองละอายดึงใจออกมาจากนางฟ้าได้ไมาอยู่กับตัวเนี่ยเพราะความละอายเนี่ยดึงออกมาได้ไมาอยู่กับตัวมีเก่ากระ t h o ออกมาแล้วนะเนอะดูที่เชื่อมันได้ยัไใจมีกิเล ก็ดึงมาอยู่กับตัวตั้งใจภาวนาวไม่นานก็ได้มรนลุรนธรรมท่านบรรทัดพริเจ้าไม่เห็นว่าทารุนั่นไม่เห็นบอกว่าทารุนะ่ะเขากาลังจะแต่งงานกันน่ะเขาแต่งงานกันแล้วแต่ยังไม่ได้สัมผัสอะไรกันดอกมันยังไปกลางคืนมันยังไม่ได้เข้าห้องเข้าหอรู้ไหมพรเจ้าเอา ตอนร้อนหน้าเตาเลยนะ่ะเหล็กตีเหล็กตอนร้อนรอนเลยนะ่ะเพราะฉันรู้แล้วว่าก็แค่ไหนมันก็แค่นั้นเองรู้แล้วแหละยิ่ปล่อยไปก็ยิ่งติดเอาไม่ออกชุดไม่ขึ้นไม่ปล่อยดัดเลยตอนนี้เห็นไหมได้สดสดร้อนรอนเลยนันทางนี่คือความละอาย เริ่มแรกเราบังคับตัวเองไม่ได้เราก็เอาอย่างนี้พอเราบังคับตัวเองได้แล้วสบายอยู่ที่ไหนสบายอยู่คนเดียวก็สบายยิ่งสบายอยู่กับหมู ก, ก็สบายอยู่คนเดียวยิ่งสบายวิธีการฝึกอยู่กับหมูเนี่ย ทำให้เกิดความละอายไม่ระวังอ่ะ้วท้องอ่ะตึงโงกไปข้างหน้าโงกมากข้างหลังลายความละอายคนเรามันญิงในตัวนะมันญิงในตัวเองนะเราก็เอาจับเอาความญิงนี่แหละมาใช้เกิดประโยชน์ ที่นี่ทาวัดสวดมน เป็นเรื่องธรรมดาสมัยพุทธสมัยการที่เจ้าพาอยู่ทั้งคืนสู่ความอดความทนไม่ได้ดอกอดนอ น, นอกนะน อ, กนอกจากธรรมดาธรรมดาแล้วก็อดนอนทั้งคืน เน่เน่สักชิคไม่นอนดัดมันปนนั่นแหละดัดใจด้วยดัดกายด้วยดัดแต่กายไม่ได้เล็ดยังดิ้นอยู่ี่ที่ใจดัดที่ใจอีกเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับสำหรับดัดมีแล้วมีอยู่แล้ว เนี่ยรางสติเนี่ยแหละเครอไม้เครื่งมืงอเอาไว้สงบก็ได้ปลิกแปลงให้เกิดปัญญาก็ได้ ต้องไปท่องเด้ออาใครท่องใครท่องใครจำได้แหละโอ้ยสนุกเลยว่าสนุกเลยอ๋าใครยังไม่ท่องก็จุจักจักุกจุกจักจเออตัวนี้แหละตัวร้ายกาจกุญแจจับตัวกุญจนี่แหละพวกนี้แหละที่มันทำให้เราภาวนาไม่ได้หน้าได้หลังก็เพราะพวกนี้แหละ นิวอนนี่วอนหเนี่ยแหละตัวไร่กาเนี่ยแหละนิวอนนีวอ น, ว น, น, วอนวอสิงกีดขวางนีวอนิงกีดขวางที่พวกเราทำทํากันเนี่ยที่มันไม่ไม่ปนหน้ามาหลังกันนี่แหละพวกนี้มันขวางไว้ฆ่ามันไม่ได้นิวอนนี่วอน้าการมาันดะ พยาบทพยาปาดะี น, ะงง น, น้มิถะม่งเานนอนกุจกักกุจักงสารการวิจิตราวิจิตรช่งช า, ช า, างวิจิตรายาวิจิาัเลสงสัยเมื่อกี้เราก็บวชสวดเราก็สวดบวชจิต บทเวทนาแล้วก็บทจิตแล้วมาเริ่มบทธรรมบทธรรมนี่คือธรรมะที่เกิดในใจมันเกี่ยวข้องกับใจทั้งหมดอะไรทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมทีนี้แง่ปฏิบัติเราจะบัดเราจะปฏิบัติยังไยยงเมื่อเราพิจารณาจิต อั้งระบทกายเอ่ยเวทนาเอ่ยจิตเอ่ยธรรมเอ่ยเนี่ยท่านจะมาขโมดนะบทขมวดบทที่ขโมยนี่เรามาดูบทขมวยเนี่ยดิเรามาดูตอนท้ายเมื่อกี้เนี่ยอาิตธรมาติวาปนสักสติปัจจุปจิตตาโอติก็หรือสติเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าสติอยู่เฉพาะหน้าเพราสวดนี่เรา โอ้ไม่ไ้นออมาที่ที่ที่ตัวเราเนี่ยสติเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเข้ามาเฉพาะหน้าคือเฉพาะปัจจุบันในขณะนั้นมีสติกับอยู่จออยู่ตั้งเฉพาะหน้าว่าทำทั้งหลายมีอยู่กิริยาเขาทำทั้งหลายนั้นมีอยู่มีอยู่เฉพาะหน้าเรามีสติตั้งเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าก็สติก็คือทำ สิ่งที่เอาสติไปกําหนดจดจ่อสอดสองดู ก, ก็คือทำเนี่ยท่านมาข่มบทบทสุขแล้วจาบทสุบทสุคนี้คือข้อปฏิบัติเนี่ยบทสุนี้คือข้อปฏิบัติกําหนดย้อนมาโอปัญิกโกเข้ามามีสติก็มาจดจ่ออยู่สติคืออะไรเราก็มาทำความสงสัยเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อเป็นการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการปลุกสติใหื่นขึ้นมา <c oughs> สติก็คืสิ่งที่เราเลือกยับ จ๊บแสติระลึกขึ้นมาสัมผชัญญาก็ตามมาสติเราลึกได้สัมผชัญญาก็คือรู้ประคองประคองสิ่งที่เราลึ่ได้นะเราลื่อนยักลื่อนยักขมาสัมผชัญญาประคองสัม <Naruhodou> ผั slows, ัญญาคือร <kat characteristics> ู several, ้รู้ตัวทั่วร้องประคองเราดำรงอยู่ที่จิตของเราเราเลื่อเลได้ไหมตัวเราเลื่อนได้อะไรตัวนั้นแหะคือสติ แท้จริงสติคือจิตจิตคือสติน่ะสติก็เกิดจากจิตสามัญญาก็เกิดจากจิตจิตจัพท์ว่าสิ่งรู้ธาตุรู้จิตนะศัพท์ว่าสิ่งรู้ธาตุรู้แต่อาศัยขณะของจิตตัวเนี้ที่ระลึกยักขึ้นมายักขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหละท่านว่าสติยักยักยักแล้วก็ดับไป แต่ว่ามันมีตัวสัมผัันญยกเป็นตัวประคองแยกแล้วมาประคองแยกแล้วประคองเหมือนอย่างเราย้อนมาดูเวทนาเนี่ยเราก็มือนเวทนาแยกแล้ประคองยแยกแประคองทาให้ความรู้ตื่นโ ร, รู้อยู่เฉพาะหน้าตรงนั้นสักแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เวทนามีอยู่มีอยู่สักจะบอกเวทนาสักจะบอเฉยเฉยไม่ใช่เราไม่ใช่ขอ ง, ของเรา ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรานี่คือนี่คือภาคปฏิบัติให้เรามาสรุปทั้งบทกายทั้งบทเวทนาทั้งบทจิตแล้วก็ทั้งบทธรรมแต่และบทแต่และบทที่เรามาพิจารณามันมันจะมีบทสรุปบทสรุปนี่คือภาคปฏิบัติที่ว่ า, าเอาสติมากำกับการพิจารณาด้วยสตินี่เองมันเป็นการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแต่ครูบาอาจาร สายลุงตาลุงปู่มั่นงปู่สาวเนี่ยท่านให้เจอส ม, มถะท่านเจมมริญสมถะเพราะในบทของสติมหาสตินี้มันเจริญได้ทั้งบทส ม, มถะทั้งบทวิปัสสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์นเดียวพุโทโธพุโทโธพุทโธเริมต้นดดโดยพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอทำไปทางไปทำไ ป, ไปจิตของเราไม่ไปไหนละจิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใครน้อมมาพิจรารณา น้อมพิจารณาพิจราจรณ า, าตามหลักมหาสตินี่แหละพิจารณาตามหลักมหาสติการพิจารณาตามหลักมหาสตินี่แหละมันเป็นการใช้ปัญญาจอมากกำหนดจดจ่อรู้จำพะหน้าเอาอะไรมารู้เอาตัวสตินี่แหละสติเป็นตัวพยุงท่ารู้ท่ารู้คือจิตจิตก็คือถ้ารู้ตราบใดที่มีสติรํากับกับจิต ถ้ารู้พวกเราก็เด่นขึ้นชัดขึ้นจิตทเราเห็นเด่นขึ้นชัดขึ้นเด่นขึ้นชัดขึ้นมีสติกากับอยู่ตราบใดมีสติคํากับก็หนดจดจออยู่ตัณหาไม่คลาบโผล่ข้ามาอวิชชาไม่คลาบโผล่ข้ามาอวิชชาแปลว่าขาดสติเราเจริญไปเจริญไปเพอเราเผลอปัาบเราขาดสติแน่อวิชชามาเข้าแล้วเจริญไปเจริญไปเจริญไปมันขาดสติอวิชชามันเข้าแล้ว ตอนที่ยังสติสติยังไม่ขาดสติไม่ขาดนั่นนหะมันเกิดวิชาวิชาแปลว่ารูร้รูพอวิชาขาดไปก็สติขาดไปอวิชชาคร้าเขมืดตึ๊บเกิดโมหะตัณหามันดึงจิตเอาไปใช้ละใช่ตามต้องการเรามาดูกิริยาเฉพาะหน้ามาดูกิริยาเฉพาะหน้านี้มันเป็นการเอาสติมาตั้งกรรมจดจ่ดอยเฉพาะหน้า คือมีกระบวนการจ่อรู้ทางปัจจุบันแจ๊กแจ๊กจ๊กท่านยั ง, ยงยให้ปลุกอยู่ทุกทุกยุทุกเวลาเช่นอย่างสมมติฐานท่าให้ระลึกเรื่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธระลึกเพื่ออะไรเพื่อเอาจิตมากำกับเพื่อเอาสติมากำกับจิตตัวระลึกนั่นนะ่ะเป็นตัวจิตจิตเป็นตัวระลึกพุโทโธที่แรีว่าจิตดําริพุโทโธ ได้ขณะของจิตของสติพุธโธพุธโธสัมปชัญญะเป็นผู้ประคองประคองรู้ซึ้บรรงประคองหลุประคองได้ไหมพุธโธแลประคองประคองไปจะถึงพูทดิแล้วโทประคองอยากโทไปหาพุธประคองอยากพุดไปหาโทพุธโธพุธโธให้มันไม่ให้มันคลาดอยากความรู้รู้สึก รู้สึกว่าเราเดำปีพุทโธพุทโธพุทโธพุโธนีเน่เป็นการมัดจิตของเราให้อยู่กับคำพุทโธ เ, เ, เ, เ, เอาสติเป็นเชือกมั ด, ight, มด จ, จ, จ, จิตของเราในหะ้อยู่กับพุทโธพุทโธนี่เป็นอารเหมือนต่อไม้เหมือนสลักเหมือนหลักนะเอาสติเป็นเชือกมัดไหล่มัดจิตถ้าเราจะเทียวว่าจิตเป็นควายจิตของเราถ้าเราจะเทียวว่ามันเป็นควายเอาสติเป็นเชือก มัดจิตปลายข้างหนึ่งมัดจิตปลายข้างหนึ่งมัดกับหลักหรือตอหลักหรือต่อในที่นี้หมายถึงอารมณ์อย่างพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอารมณ์เอาสติมัดจิตโดยปกติจิตคือธาตรู้มันจะรู้ล่องลอยด้วยเปลือยไปตามเรื่องของมันถ้าไม่มีส ต, ติตอนนี้เป็นตัวบังคับเป็นตัวอุปการะไม่มีโอกาสที่จะฝึกจิตนะ ด้วยเหตุที่รามีสติมีสยยัมผัสจรเนี่ยเราจึงสามารถฝึกจิตได้เราลองเจริญจิตให้จิตให้อยู่โล่ อ, อยู่เฉพาะหน้าเราดิมันอยู่ได้แต่ถ้าเพลิสติปั๊บขาดสติกําหนดจอดจอดูปั๊บเนี่ยตัณหาแท้แล้วตัณหาดึงไปนู้นแะดึงไปนี่แล้วยิ่งนั่งนานๆปวดเนี่ยตัณหามันก็แทะข้นมาแล้วโอ้ยหัวเข่าปวด โอ้ยเอวปวดโอ้ยสะโพกปวดแล้วก็ะ ส, สะโพกเราเสเลยนะเอวก็เอวเราอีกซสด้วยหัวเข่าก็หัวเข่าเราเสียด้วยแน่เพราะมันแทรกขึ้นมาอัตตาก็โผล่ขึ้นมาพอตัณหาแทรกเข้ามาพับอัตตามันก็โผล่ขึ้นมาเมื่ออัตตาโผล่ขึ้นมาตัวตนมันก็โผลขึ้นมาเมื่อตัวตนโผล่ขึ้นมาการถือเนื้อถือตัวตัวตนนี่ก็โผล่ขึ้นมาทิฏฐิมรณะก็โผล่ขึ้นมา ความยินดีความยินร้ายโผล่ขึ้นมาความโลภโผล่ขึ้นมาความโกรธโผล่ขึ้นมานี่เป็นโรคสมบุนของตัณหาทั้งนั้นมันทํางานสืบช่วงกันเป็นระลอกรลอกๆ ะ, ะ, ะ, ะ, ะมันเกิดขึ้นด้วยเหีนน้ยนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งใจเจริญเจริญภาวนาเนี่ยเมื่ อ, อเราระงับดับสิ่งเหล่านี้มาจาะอยู่ที่ปากกระบอกเข้ามาเนี่ย ไม่ใตัวนี้ไม่ให้ตัณหามันแสดงตัวให้ปรากฏาออกมาได้รับได้แล้วเร า, เราทำไปแล้วจิตของเรามันเชื่องมันฉินจิตของเราสงบถ้าจิตไม่มีสติไม่มีสัมมัชยันยักิตก็สงบไม่ได้เอามาพลิกแปลงฐ า, านะปัญญาถ้าไม่มีมีสติไม่มีสัมมัชยันยัก็เป็นปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นสติสัมมัชัญญักษจึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะตั้งแต่ ธรรมะพื้นๆไปจนนู่นสูงสุดวิมุตต์หลุดพ้นไปเลยเนี่ยวิมุตต์หลุดพ้นไปแล้วฉันเรียกว่าสติอัตโนมัติเป็นสติอัตโนมัติเลยมันจะเป็นจะต้องมาตั้งมันอย่างพวเรามันอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเราฝึกฝนอบรมได้แค่เราเราเ ร, าเริ่มฝึกฝนอบรมพยายามมาระวังอยู่กับเนื้อกับตัวนอโอกาสที่ตัณหามันจะเผลอโผล่เข้ามาเนี่ย ก็จะมีน้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าจนวันทั้งวันมันไม่โผล่เข้ามาเลยนะเพราะ่ะเราต้องต้องตั้งใจเราตัง้งตั้งใจทําถ้าตัณหาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไห ร, ไไหรก้องทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทุกข์กายเอ่ยทุกข์ใจเอ่ยมันยึดไปหมดแหละกายเวสนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณมันยึดไปหมดแหละตัณหามพา ย, ยดึด้วยเหตุที่เรามีขันธ์ทั้งหา้า น, นี้เอง ขันทั้งห้ามันเป็นกองทุกตีรวมยอดอยู่ในขันขันทั้งห้านี่เอเมื่อทหารโผล่ขึ้นมาปั๊มยึดยึดทั้งหมดเลยยึดเป็นเมืองขึ้นเห้องมันเลยกายเราเวทนาเราสังขารเราวิญญาณเราสัญญาเรามันทลายึดไปหมดทิฏฐิมานําก็โผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาเราให้อัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาดูมันจะกลัวใครบ้างไม่มีใครกลัวเลยยืนด่ากันกลางถนนก็เอาได้ เราให้ตัณหามันโผล่ขึ้นมาที่ถิมันนะมันโผล่ขึ้นมาเราเราย้อนดูเส้นสายที่มันเกิดแล้วเราพยายามสงบนะดักมันได้นอกจากเราไม่ตั้งใจจะดักมันเท่านั้นเองนอยเราจะสนุกเพลินไปกับมันเลือกมันเป็นสมัครพวกไปสักพักหนึ่งเบ่งกล้าไว้ะกก่อนยินดีให้มันเป็นมหามิตรทั้งทั้งตัวมันเองมันเป็นมหาศัตรู แต่เราไปเอามาันมาเป็นสมุนมาเป็นมหามิตรมันก็มันก็สับมันก็จาหัวเราเนี่ยเลือดเยอะอยู่ทุกวิชะทุกเวลาเมือ่อนมันก็ช้างตุกมานั่นแหละจะขอสัก ส, สับเลือดไหลเยอมอยู่ตลอดเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะมันดื้อ ม, มันดื้อแล้ว ก, ก็มันด้านแล้วจะไปโกรให้ใครจะไปเกลียดให้ใครถ้าเราไม่ดูไปที่ตัวนี้เราไม่เห็นตัวนี้แหละตัวนี้แหละ ตัวร้ากาศตัวนี้แหละที่พาให้เราเลวเราพยายามปฏิบัติเพื่อลดเพื่อลักเพื่อปล่อยเพื่อวางตัวนี้เพื่อที่จะพยุงจิตของเราให้เป็นจิตที่ดีทุกคนต้องการความดีทั้งนั้นแหละแต่สู้ฤทธิดเดชมันไม่ได้คาถามันเป่าพุ้ว ด, ดียนี่ล้มระนาวไปตามหมดแล้วคาถาของกิเลสตัณหาเหล่านี้รู้ในใจของเราจะเห็น เราตั้งใจจะเป็นคนชนะเราไม่อยากแพ้ทุกคนอยากชนะอยากชนะสารพัดไหมอะไรคนเอาคนมาสั่งยากชนะคนเสือมาสั่งยากชนะเสืออยากชนะทั้งนั้นแต่ไม่ชนะกิเลสของตัวเองจะเอากําลังอะไรไปชนะถ้าชนะใจชนะใจขอ ง, งเราได้ใจเดียวชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมด ท่านจึงว่าไปนชนะสงครามที่ขูนด้วยล้านล้านล้านนาน ล, าน ล, านลานสู้ชนะใจเราคนเดียวไม่ได้ชนะข้าศึกที่คูณด้วยล้านสู้ชนะใจเราไม่ได้เพราะชนะแล้วกับแพ้ชนะสิมาเนชนะแล้วเดี๋ยวก็แพ้ชนะแล้วเดี๋ยวก็แพ้ไหนว่าเราชนะเขาได้สักวันเขาก็เอาชนะเราดีเราไปดูพวกแชมป์โลกไม่มีใครแขวนแชมป์อยู่อย่างนั้นน่ะ เดิม e hm, กบแพ้เขาแล้วช่วงกําลังดีโอกาสดีโชคดีชนะเขาแล้วพอถ้าจริงถ้าจริงไปท้าจริงมากแพ้แล้วเนี่ยมีใครที่ชนะแล้วกลับไม่แพ้ไม่มีแต่การฝึกใจแหละชนะแล้วไม่มีกลับแพ้เพราะมันเป็นการถอนรากถอนโคนการตั้งใจฝึกตามนี้ทําให้เราได้หลักมันไม่ท้ายเรางมสุ่ม เดาคาดคาดเดาเดาหรือว่าไปตามเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลพะหลงเราหลงเขาเราเขาผงตา ม, มนู่นตามนี้ตามแสงตามนิมิตตามอะไรไปเรื่อยม่รู้ตามไปเอาอะไรนะ <S <S มันหลอกไปเรื่อยนั่นะน่ะเป็นลูกส ม, มุนของมานอีกเป็นลูกส ม, มุนของเจ้าตันหานแล้วจะมันจะแผลงตัวแปลงตัวมาให้เรารู้เราเห็น ลองเพ ล, ลินไปกับมันเพลินไปกับมันดีเหลือเกินแสงงามเหลือเกินออุอ้ยเบาสบายดีเหลือเกินเพลินไปกับมันไม่มีจบไม่มีที่จบมันหลอกไปใช้สุิยักทุกเวลาดูมาเห็นจัดจ่ายเห็นจังๆนี่แหละมันเป็นการทําลายอัตตามันเป็นการทําลายตัวตนมันเป็นการเจ่อมาสงบระงับดับความทุกข์นี่เหตุเกิดอของกองทุกข์ กองทุกข์นี้จะสงบระงับดับไปด้วยเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือสตินี่ยมหาสติท่านจึงว่ามหาสตินิวรณ์ทั้งห้าที่เราสวดเมื่อกี้เ่ยการฉันทัพอใจเกี่ยวกับเรื่องการคิดนึกเรื่องการพยาบาทพอใจเครียดพอใจโกรธอเพราะอะไรเพราะไปทําแล้วเขาขัดเพราะเขาขัดพัจจุเกิดปฏิกิขัดใจพับโกรธแหะที่แรกก็พอใจเกี่ยวคิดเรื่องกามคิดไปคิดมาก็ขัด ไอ้เรื่องการทั้งหลายเนี่ยเราก็หาเขาก็หาแล้วก็สอบสวยเขาก็สอบสวยฉะนั้นสันน้นมันก็ขัดกันแล้วขัดขึ้นมาก็โกรธเพราะฉะนั้นมันจึงมีการมาฉันทามันจึงมีพยายามบ่ามันไม่นึกเรื่องโกรธมันก็นึกเรื่องรักมันไม่นึกเรื่องรักเรื่องจอบมันก็นึกเรื่องโกรธนึกเรื่องมันขัดข้องในหัวใจมีคนมาขัดคอแล้วจิตที่ไหนมันจะสงบต้องการให้สงบแค่สมถะมันก็สงบไม่ได้ มันมีตัวนี้มาขวางเราต้องมาคลี่คลายให้มันถีนักจากนั้นแล้วก็จิตใจเหนื่อยจิตใจเหนื่อยนายร่างกายเหนื่อยนายทําให้เกิดขี้เกียจที่ค้านถีนักมิทักหลับนีหลับก็คืออะไรสติมันขโมยนนหนีไปแต่เมื่อไหร่ก็นมาลูกเรือ่องลมหาใจคลอกคลอกคหลับมันขโมยหลับสติขโมยหนี ขโมยหนีแล้วถ้ามันไม่ขโมยเราก็ต้องจับมันได้สิจับได้ก็ดึงข้นมาจับได้ก็ดึงขึ้ามาโดยที่เราจับไม่ได้มันก็หลับพาเราหลับนี่แหละอลองนั่งไปอีกสักพักหนึ่งเราจะได้ได้ยินเสียงดนตรีอย่างดีเลยคร่าคร่าคร่ า, า, า, า, าได้ยินแน่แน่เลย <laughs> <laughs> เพราะอะไรเพราะสตีมันขโมยหนี <c oughs> สติมันขโมยหนี เราพยายามเจริญสมถาเราพยายามปลูพยายามสร้างพยายามตั้งสติตั้งจนกํากับดูแลจิตอยู่ร่ตลอดอย่างไรทําเรื่อยๆทํามื่อเนืองทบ่อยๆจิตของเราจะเชื่องเพราะงานเหล่านี้เราทําไปแล้วมันก็มีผลงานเหมือนงานการทั้งหลายทั้งปวงไปดูซิเราฝึกภาษาเนี่ยนะ <c oughs> ตั้งแต่เราไม่รู้ภาษาเราฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยจนดูอ่านออกเขียนได้หมดเขียนได้อ่านออกหมดภาษา ภาษาไทยภาษาน้นภาษานี้หลักวิชาทั้งหลายที่เราเรียนนี่แหละเราเริ่มจากความไม่รู้การไม่รู้เร่มไปเริ่มมาเริ่มมาเริ่มไปเริ่มจำไม่จำนาเริ่มคลอ่องอืมคือมื่ออย่างเราเริ่มหัดพูดเริ่มหัดพูดพ่อจ่าแม่จานหัดยิ้มหัดเดินหัดลุกหัดนั่งหัดอะไรอะไรสักหนึ่งก็แข็งเดินก็แข็งพูดก็ชัด น้องจะพูดชัดและเข้าใจความหมายเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อย <_ C os> เข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าเข้าใจไปจนถึงหลักเหตุหลักผลนี่เริ่มเริ่มรู้เดียงสาภาวะเริ่มมีเหตุมีผลเริ่มรู้จักใช้สติเริ่มรู้จักใช้ปัญญาเริ่มรู้จัก ด, ดีเริ่มรู้จักชั่วนะมันก็ค่อยเริม่มมันก็ค่อยเจริญ ม, ม, ม, มันเกิดขึ้นจากต้นอ่อนทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าพืชทั้งหลายนะเกิดขึ้นจากต้นอ่อนทั้งนั้นแหละ มนุษย์เราก็เป็นต้นอ่อนเหมือนกันมนุษย์มนุษย์เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตพืชต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เราเป็นชีวิตที่มีวิญญาณครองมีปากพูดได้มีตีนเดินได้มีมือทํานูน่นทํานี้ได้นี่มนุษย์เรามันก็เป็นต้นพืชเหมือนกันะมันก็เริ่มกล้าเริ่มแข็งที่แรกเริ่มแรกก็เป็นต้นกล้าเห mm. มือนกันนั่นแหละต้นกล้าแต่มันเป็นต้นอ่อนกล้าอ่อนแน่กล้ า, ออลายุแต่อ่อน เป็นต้นปล้าอยู่แต่อ่อนเหมือนต้นปลาต้นไม้ก็เหมือนเหมือนกันอ่ะมันเป็นคารีตต้นปลาต้นกล้าอยู่แต่มันอ่อนมันไม่แข็งมันไม่แข็งแรงไปปลูกสักหน่อยหนึ่งรดน้ําลุดินมันค่อยขยับขยายโตขึ้นโตขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งขึ้นมนุษย์เราก็เหมือนกันแหละเริ่มหัดพูดเริ่มหัดเดินอจนเดินได้เก่งวิ่งอจนพูดได้เก่งเรียนได้ภาษานน้นภาษานี้เรียนได้ เราฝึกจิตก็เหมือนกันนี่แหละเราพูดมาเป็นข้ออุปมาว่าสิ่งเหล่านี้เราทําไปแล้วมีผลเพิ่มมีวิบาก ค, คือมีผลเพิ่มไม่มีสิ่งใดที่เราเรียนไปแล้วอยู่เท่าเดิมไม่มีทัวว้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสมองมนุษย์เนี่ยเป็นมันสมองที่ดีเลิศเลิศกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่บนโลกเราสมองมนุษย์นี่พัฒนาไปได้เร็วพัฒนาไปได้เลิศ ทำตัวให้เลวสุดๆนู้นเวจียังตื่นไปทำตัวให้ดีสุดๆนู้นชั้นพรหมชั้นไหนก็ไม่เท่าถึงกับลุดออกจากโลกพรหมไปเลยก็ได้มันสมองรงุษย์พัฒนาไปได้แต่พวกเราก็มายอมรับแค่สภาพสมรรถนะของเราแค่นี้เราไม่ตั้งใจที่จะฝึกฝึกตนให้ขยับให้ดีให้ดี ไปเหมือนอย่างผู้ที่เก่งกาศอาจหารเดินน้าหน้าเราไปแล้วนั่นผู้ที่ฉันอาหารขยับเข้าไปแล้วพุทธเจ้าพระอาคสาวก พ, พระอริยาสาวกอาศิติมหาสาวกรวมมาถึงกรุบาาจย์ของพวกเราสมัยปัจจุบันของผู้สาวผูมัน่นโดยเฉพาะที่เราเห็นชัดเจนกับหลงตาเราเนี่ยนี่คือผู้ที่ฉันอาหารท่านก้าวหน้าไปหมดแล้ว พวกเรายังอ่อนแอตยังเป็นต้นกล้าไม่ยอมแข็งเนี่ยเลี้ยงไม่ยอมโตก็เพราะอะไรนิวนเรเหล่านี้แหละมันครอบงำทางความรู้จักกับมันเพื่อจะได้ต่อกกรรมกับมันจะได้รู้เพื่อจะได้แผ่วถางให้เราเดินไปสะดวกเดินไปเพื่อสงบให้มันได้เดินไปเพื่อเพื่อปัญญาให้มันรอบรู้รู้จักเหตุรู้จักผลเหตุเกิด เหตุแห่งทุกข์ก็ให้รู้จักสมุทยยัยนั่นแหละเหตุแห่งทุกข์เป็นยอดของมัน่ะเป็นยอดของมันเป็นหลักของมันสมุทัยนีโรคความดับทุกข์มากข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์มันขยับไปตรงนั้นเพราะตรงนั้นเป็นสนามปัญญาเป็นสนามที่เรามาฝึกซ้อมให้เกิดประกายปัญญาประกายปัญญาจะเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจมาฝึกซ้อมตรงตรงนั้น เมื่อกี้เราก็สวดบทจิตเราสวดบทสวดบทเวทนาเวทนาคือความสุขความทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์คือความสุขความสุขเกิดขึ้นจากการที่เราพอใจความทุกข์เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกที่เรียกว่าทุกข์มะสุขเนีย้ยท่านพูดประกอบมาอีกว่าสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตรสุขมีความพอใจสุขไม่มีความพอใจคือความบางเฉิยความสงบความบางเฉิยความสงบสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตร ทุกมีอา mith ทุกไม่มีอา mith อรุคมรสุขมีอา mith ไม่มีอา mith มีแค่นี้แหละที่เราสวนยืดยาวมากมายสรุปลงมา ก, ก็มียินดียินร้ายอหรือว่าพอใจยินดีพอใจยินร้ายไม่พอใจหรือเฉยยินดียินร้ายเฉย ย, ย, รยตราบใดที่ให้ให้จิตของเราขึ้นเกรดยินดียินร้าย เฉยเฉยๆพระสัญญาสติพระสัญญาปัญญากำหนดจดจ่ออยู่มันก็ยังเป็นเวทนามันยึดมันยึดความเฉยๆมันทิมมันยึดยินดีมันก็ติมันก็ดีมันก็ยึดยินร้ายตราบใดยินดียินร้ายเฉยๆเกิดขึ้นปราศจากสติสัมปชัญญะประสัญญปัญญาตอนนั้นเปิดช่องให้กับตัณหาแล้วมันแทรกเข้ามาที่จิตของเราแล้ว ศาสนาแท้เข้ามาที่ไรเมื่อไรอักตาตัวตนของเราเพิโผล่ขึ้นมาแล้วทั้งๆที่มันไม่มีจริงแต่ความรู้สึกมันหลอกเราว่าเราว่าเราว่าเรากายเรากายเรากายเราไม่เคยเอาด้วยดสังเกตไปเกิดในท้องแม่กายเรากายเรากายเราเลือของพ่อของแม่ทั้งนั้นเนี่ยที่พวกเราหน้างันเนี่ยได้มาจากพ่อจากแม่เป็นโครงสร้างมาจากพ่อมาจากแม่เดี๋ยวนี้ยังพอจะเรียกว่าเป็นเราได้อยู่บ้างก็เพราะเราใส่เข้าน้ำ ข้าวปลาอาหารไปเองเราเราคืออะไรมันไปกับข้าวปลาอาหารนี่เลยเราเราดูไปแล้วก็มันไม่ใช่มันเป็นข้าวปลาอาหารแสดงมันกบกุมกันอยู่ด้วยอำนาจดินน้ำลมไฟเป็นโครงสร้างหลักเป็นโครงสร้างหลักให้เราอยู่เดี๋ยวนี้จากนั้ น, ม, นมันก็ประกอบอมีขาสองแขนสองมีลำตัว มีปากพูดได้อี่มีจมูกหายใจได้อี่มีตาดูได้ยี่มีหูฟังได้อี่มีตีนเดินได้อีกเนี่ยมนุษย์ว่าแต่มีแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ประกอบให้เราทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้ทำอะไรให้เกิดโทษกับตนเองได้ทำไมรู้ไม่เข้าใจการที่เราตั้งใจฝึกฝึกจิตเนี่ย มันเป็นการฝึกที่ถูกที่สุดแล้วจริยธรรมทั้งหลายจริยธรรมทั้งหลายท่านพูดถึง เ, เรื่องพฤติกรรมของกายของวิจญาที่เรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราศึกษาเรื่องศีลศีลเป็นองค์หลักเป็นองค์เป็นองค์ ป, งประกอบหลักเกี่ยวกับจริยธรรมทำง่ายชีวิตการงานของเราถึงจะเจริญงอกองยเจริญงอกงาม คุณธรรมเหล่านี้แหละช่วยส่งเสริมให้เราเจริญท่านสอนให้เราขยันท่านไม่สอนให้เราขี้เกียจวิทยาคุสาหาความอดความทนสัจจธรรมขันติจารคะในหลวงท่านจอบชอบจับมาสอนพวกเราจาระค่ะเสียสละให้ทานสัจจสัจจ รวมมาถึงสัตว์ซื่อด้วยกายด้วยวิจาแผลงมาเป็นสัตยาสัตยาสัตว์ื่อซื่อสัตว์นี่ธรรมะพื้นพื้นที่มากำกับที่กายมาใช้ที่กายที่วิจาเวลามากำกับที่ใจเอาใจมากำหนดจดจ่อใช้สติใช้ปัญญาดูเพืให้เห็นสัจจมันมาจากคำคำว่าสัตสัตสัจจ์ตัวเดียวสัจจ เวลาเราต้องการพบต้องการเห็นสัจจ์เราต้องใช้ธรรมะธรรมะความขบต้องใช้ขันติความปวดสัจจ์ธรรมะขันติจารักพิจารณาเห็นโทษแล้วก็จารักปล่อยวางมันเป็นทั้งธรรมะพื้นพื้ น, น, นและมันเป็นทั้งธรรมะที่ลึกละเอียดไปจนถึงเห็นเห็นอัดเห็นถามได้อัได้าไดถายธรรมะสี่ข้อนี่นะที่เขาเรียกว่า เป็นธรรมะที่ควรเอามาตั้งไว้ในใจเราอธิษฐานธรรมอธิษฐานธรรมควรตั้งเอามาตั้งเอาไว้ในใจในหลวท่านเจ้าอามาสอนพวกเราอยเราเราลึกซึ้ในหลวงเราธรรมะขอเหล่านี้มาใช้มันก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันเป็นมันเป็นเกร็ดแขนงกิริยาอาการของธรรมที่ท่านท่านเป็นปราเป็นมันิไท่านแยกแยกจาแนกให้กับเราเป็นสัจจ โอ้ของจริงจริงอยู่อย่างนั้นแผลงไว้เป็นสัตยะคือสักซื่อซื่อตรงต่อกิริยาการปากก็ซื่อตรงไม่พูดโกหกหมดเขตกิริยาก็สกิริากายก็สัต์ซื่อต่อกันมันมาจากใจซื่อซื่อตรงไม่คดไม่งอไม่บิดไม่เบี้ยวไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดระบบระเบียบที่เราตั้งเราทํา ไม่ผิดเขาไม่ผิดเรานี่คือสัตว์สัตว์ซื่อนอกจากสัตว์ซื่อแล้วก็พิจารณาในแง่อของสัตว์จักรเพื่อให้เห็นสัตว์จักรเอาอะไรมาพิจารณาเอาอะไรมาหมดมาขม่มเอาธรรมะความขม่มกิริยาของธรรมะก็คืออะไรก็คือสติคือสัมผัสเฉยๆอะไรมันเวลาทํางานแล้วมันจะ ล, ล้อมรวมมาเป็าเดียวกันหมดโดแต่เป็นกิริยาที่เอามาประกอบทั้งเกิดประโยชน์ทั้งนั้น เอาสติมากำกับของจิตดวงนี้ด้วยสติของจิตดวงนี้ธรรมะแล้วความข่มของจิตหมายความว่าข่มกรรมมฉันทะตัณหามันแทรกเข้ามาเป็นกรรมมฉันทะเป็นพยาปาถาความโกรธข่มความโกรธบริจารือจาระเสียสละความโกรธ ด, ด้วยข่มความพอใจ เสียสละความพอใจการฉันทะเสียสละพยาบาทความโกรธพยาบาทหมายถึงรวมไปถึงการปองร้ายอาฆาตพยาบาทเนี่ยปองร้ายหมายเอาชีวิตคืออาฆาตพยาบาทมันไปจากความขัดใจนี่แหละไยากความโกรธพราะมันถึงที่สุดมันก็สามารถฆ่าได้นะอาฆาตพยาบาทพยาบาทปองร้ายอาฆาตพยาบาท อาสตินี่แหละมาโขเอาปีติยานี่มาโขเอาขันติคือความอดความทนนี่แหละมาโขมันก็หลุดจุดจอสอังวรสํารวมระบานี่แหละแม้มันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเรามันโผล่ขึ้นมาที่ไ ร, ไไรื่อไรอัตตาตัวตนโผลขึ้นมาทุกทั้งหลายก็โผล่ขึ้นมาเมื่ออย่างเราเรานั่งนานๆจะให้ดูเวทนาเวทนาสัตว์แต่ว่าเวทนายิางเวทนามีอยู่ มีสติเข้าไปรู้เฉพาะหน้าว่าเวทนามีอยู่อาศัยเป็นเครื่องรึกว่าเมทนามีอยู่แต่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราถ้าให้ดูให้เห็นตัวนี้ถ้าเราไม่ดูแล้วมันจะโผล่แน่ๆละโผล่ว่าเราว่าของของเรามันโผล่เข้ามานแน่ๆถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิาจารณาความเจบ็จบจอดมันโผล่ขึ้นมานแน่ๆ เราพิจารณาด้วยด้วยจิตที่มีความสงบที่มีสมาธิจิตที่มีสมรรถมันมีพลังกว่าเราไม่มีสมรรถเราใช้จิตจิตดิบดิบรแหละมาตั้งแต่หมดจะจ่อพิจารณาเนี่ยจญยาไหวพริบเฉาปัญญาเลยสู้ตันหาไม่ได้ผูพ้พักตันหานําหน้าแล้วผูพ้พักปัญหาําหน้าแล้ว เราจะต้องเอามันจิตเอาจิาตขอเรามาหยุดซะก่อนหยุดนึกหยุดคิดหยุดปรงุงปรุงแต่เรื่องเดียวปรุงแต่เรื่องธรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ บ, ว, กบกว่าให้จิตมันอยู่กับที่สกัสมมสกวันทําสงบสักวันมันนิ่งซะก่อนถึงค่อยดูถึงคอ่งคอยพิจารณาเมื่อเรายืนอยู่กับที่แล้วลืมตาเราเห็นว่าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเรามันชัดไม่ใช่เราลองวิ่งล้องวิ่งดูดูมันจะชัดเท่ากับเรางเรียนดู ไม่ชัดเท่าที่เรานั่งรถ ด, ด้วยแล้วนะเราดูไปรอบขางเห็นไอ้ต้นไม้มันล้มไปล้มมามุนไปมุนมาเนะ่มันไม่มีอะไรชัดเจนการไปที่จิตกําไม่นิ่งไม่สงบไม่อยู่ดูเห็นยากในเมื่อเราดูเห็นยากเราก็จับสุ่มเดาเป็นนั้นแหละจับซุ่มๆเดาๆดาไม่ได้จับของจริงอะไรเพราะฉะนั้นของจริงจริงไม่ไม่ปรกนนากฏในหัวใจของเราสักจับที่แท้จริงไม่ปรากฏปรากฏในของปลอม นี่คือการตั้งตั้งใจคนโอบรมผมกำกับที่กายก็เป็นจริยธรรมอกายกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพุทธพิณากรรมนั่นไงกายกรรมเอาอะไรไปทําจริยธรรมก็คือเอาศีลนั่แหละไปกํากับเอาทํามนี่แหละไปกากับไม่ฆ่าสัตว์อนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วยังมีเมตตาไปเห็นสัตว์เป็นปลาเป็นเป็ดนิ่งแได้อยู่ฝั่ง สามังคันเทนาเนี่ยจะมันเอาไปปล่อยน้ำนยมีเมตตาแล้วยังมีคารุนายเขาก็ลังดินทุทุกอยู่เอาไปปล่อยอีกนอะกจากมีศีลแล้วก็มีธรรมอีกไม่รัาสัตว์ไม่รักศัตย์โอ้อันนี้ก็เป๋าทังค์ไทยเนาะยบไ้ไปประกาศหานะ รู้จักสิทธิข อ, ของเขาด้วยของเขาด้วยสงสารเจ้าของของเขาอีกด้วยโอ้ยต่างเขาเอาไปใช้ได้มากมายเยอะแยะเนยแต่ถ้าคนเห็นแก่ตัวเ่าไปใช้โอ้ยเราไปใช้ได้ทั้งหลายวันแต่ด้วยเห็น ว, ว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเรามันไม่ชอบทําที่เราจะเอาถ้าเราเอาไปนะเจ้าของเขาก็ไม่ได้เขาจะเสียใจเปน็นนาเอาไปให้เขาเขาดีใจใกโอ้ได้กลับคืนมาแน่ เกิดประโยชน์ทำในแง่สิ่งเกิดตัวทํำใ้แง่ธรรมโอ้ยลูกเขาโอ้ยเมียเขาเขาหวงเพราะลูกเขาก็ผัวเขาเป็นสบัดของเมียเขาโอ้ยเมียเขาเป็นสบัดของผัวเขาไม่ใช่สบัดของเราอ่าไปล่วงล่วงล้างกรรมเกิดเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเนี่ย เราะสินขาดและเป็นเมเป็นภยัยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยชุดคิดมีสิลขึ้นมารักษาเอาตัวรอดได้อแต่ที่จะผิดศีลผิดธรรมแทนที่จะเป็นบาปเป็นกรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมนี่แหละจริยาธรรม้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจหลักจริยธรรมหลักๆอย่างนี้แล้วก็ทอดทิ้งกันจริยธรรมจึิงไม่มียิงสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมคลุกครีกันผู้ชายผู้หญิงคลุกครีกัน ไม่เหมือนสังมโบราณสังคมโบราณก็คุกคลีกลนันกันแต่ยังมียินิโอตปัดมีขนมมีทมเนียมมีอะไรดีๆเดี๋ยวนี้จะห่าเหินยิ่งถ้ามีกฎหมายอาภิสิทธิมนุสิชนกฎหมายสิทธิมนุษยชนผู้หญิงไม่อยากทำความสามารถอะไรเหมือนกับผู้ชายต่อไปเขาคงจะให้ผู้ชายอุ้มท้องบ้างโหสิทธิอุ้มชน ทำชาติมันสร้างทำมาแล้วอย่าไปทำอะไรเกินเลยเถอิดเห็นไหมเห็นผู้ชายทำทำยังไงได้ผู้หญิงมักจะทำอย่างนั้นให้ได้แต่มันไม่เหมือนกันมายุคสมัยทุกวันนี้ผู้ชายปกปิดดี ด, ดีต่งเกลขายาวเสื้อขายาวปกปิดมิดชิดเจียบร้อยผู้หญิงเปิดชีพหน้าชีพหลังอ่า ถาผู้ชายแข่งขันกับผู้ชายนี่อะไรสิทธิมนุษยชนถ้าเข้าใจแบบนี้ผิดแล้วกฎหมายเขาไม่ได้บรรยากาแบบนี้ดอกอันนี้มันเป็นเรื่องของมารยาทมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องของความประพฤติมันเป็นเรื่องของศีลของธรรมกฎหมายเขามีขอบเขตจํากัดของเขาเราจะไปตีกรอกเห็นแก่ตัวบางคนมีคพ่อแม่บอกไม่ฟัง สิทธิมนุษยชนเขมีกฎหมายอยู่สันอยหนึ่งเหะเทั้งไขรทั้งหนาวทั้งอะไรแล้วเนี่ยโทษมันตามมามันเล็นงานต้องระวังให้ดีเรื่องเหลนี้เรื่องจริยธรรมเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เป็นข้อพระพฤติปฏิบัติที่ดีงามใครระมัดระวังรักษาได้โดยเฉพาะแค่ศีลห้าธรรมห้าเนี่ยเชนี้เราก็มีความสุขมีความเจริญ สิ่ี่สามถ้าเราตั้งใจศึกษาได้ถือได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ครอบครัวเรามีความสุขไม่รข้องระแหงกินแหงกังใจกันไม่ผิดห้องมองใจกันไม่บ้านแตกสาเรกขาดลูกก็แตกไปอยู่กับแม่คนหนึ่งแตกไปอยู่กับพ่อบ้านแตกสาเรกขาดนี่คือไฟอย่าลองท่านบอกว่าไฟอย่าลองลองพัเมา่ไม่เลยลองพัเมา่ไม่เลย อีกคือไฟอยาวนอกออกนอกเตาออกนอกเตาไหมทันทีอยู่ในเตาได้ประโยชน์คร อ, อบครัวของเราอยู่ในเตาไหมว่าอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขีดเราใช้สอยอายุแต่การใช้สอยนั้นล่ะพุติเจา้าท่านเียกว่าไฟไฟไฟแต่ไม่อยู่ในเตามันเกิดประโยชน์นึ่งปิ้งย่างต้องทําอะไรได้หมดไฟ แต่ถ้าออกนอกต า, าไม่ไม่ไปไม่มาไม่บ้านไม่เอือยไม่หัวใจทุกหัวใจไม่หัวใจคือเรื่อนี้มีให้เห็นอยู่เนืองเนือพึงระวั ง, ง, วงใครระวังได้คนนั้นมีความสุขใครระวังได้นนั้นรักษาจิตได้รักษาธรรมไ ด, ได้มีความสุขมีความเจริญการที่จะรักษาแก่นของเจริญธรรมก็คือนี่เลยภาวนาที่เลย คอยต่้งตั้งใจพอะจะทําให้เรามีสติมีปัญญาเพราะการที่เรามาอบรมจิตในเรืความสงบนั้นไม่ทําให้จิตของเราเือไปตามํหน้าของกิเลสถ้าเราไม่มไม่สนใจเรื่องเหลนี้แล้วจิตของเรามันคือไปตามอํานาาของกิเลสเลินไปกับโลกในี้โลกบางคนเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่รู้เรื่องสิ่เรื่องธรรมเรื่อไหน เขาก็เปิดเตลิดฟรีตลอดเนี่ยเราก็ไปนะไปเอาเขาเป็นตัวอย่างแล้วเราทุกเขาทุกเราทุกเขาทุกอะไรเช่นี่ยถ้าเรามีฝังมีฝาอยู่บ้านเออเรายังพอมีเกาะมีตอนเขาทุกลาบากจะเป็นจะตายเราจะพอมีความสุขอยู่สิ่งนี้เป็นอุปสมบทของมุษเรากวรรักษาไว้ได้ จะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขในอัตภาพนี้ในภพหน้าอย่างน้อยๆปรโลกของเราสว่างสวยเลยไม่ได้มืดตึบตรงขั้นข้ามเยมืดตึบเลยเพราะามิจฉาทิฏฐิมันทำให้มืดไปหมดมองอะไรไม่เห็นนี่เราก็ตะ ล, ล่อมหลองรวมเข้ามาทั้งธรรมะส่วนดึกส่วนตื่น ขอให้ท่านผู้ท่านให่ศึกษาเข้ามาที่ใจของเราเราจะได้เห็นคุณธรรมแบบนี้เราเห็นคุณค่าของศิลธรรมที่พระเจ้าจะนามาสอนพวกเราถ้ า, าเราไม่สนใจหลายสิ่งหล่านี้หลุดมาดึงไปน้าเสียดายมากบางทีเกิดมากีกี่กลกว่าเราจะมาพบมาเจออีกไม่อยู่กันที่จะได้พบเจอ ง, ง่ายๆแตบบ่โอกาสที่จะเป็นมนุษย์มันยาก น, นะ กิจโฉมมนุสสติลาโผมันไม่ง่ายนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโอกาสที่จะตกจากมนุษนย์อย่างง่ายมากเพียงแต่ตัณหามาแทะหัวใจเราอย่างเราไม่มีอะไรมาปลุกจิตขอาให้ตื่นรู้ทันมันเท่านั้นเองมันดึงของเราไปตกมารกได้เลยแหละมารกมันลึกสิจุดนัณหานไหนรรก็จะโผล่ขึ้นมาได้มนุษย์กี่กลับก็จะโผล่ขึ้นมาได้รรไดูเทวทัศ ไ, ไปอยู่ในอาวิชมา ร, รก ไม่รู้กี่กังมม่รู้จะโผล่ขึ้นมาเผาร้อนอยู่นั่นแหละกังหล่อเลี้ยงอยู่นั่นแหละะเผาเท่าไหร่ก็เผาเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่ไหมเผาเท่าไหร่ก็ไม่หมดทรมานใจใจนี้ก็ไม่มีอะไรด้วยเหตุที่ยึดกายพอกายถูกเผาใจกับเร่ารอนอยู่นั้นแหละนั่นคืออบายหาความเจิญไม่ได้หลุดจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยยังขยับมาหลุม ลมทตื่ ma, ต man, นข้มาตื่นข้นมาตื่นข้มาตื่นข้นมามาเป็นสัตว์นิรันดร์ได้มาเกิดร่วมรกมนุษย์เราว่าจะได้มาเป็นมนุษย์ท่านจว่ามนุษย์ยากมากิจโฉมสติลาโพการมาบัดเป็นมนุษย์ยากการที่จะมีชีวิตอยู่ก็ยากกิจฉันมัจจาชีวิตต่างการที่พระพุทธเจ้าจะมาบัดก็ยากกิจโฉม นานมุ ป, ปาโดกิจชังสัตถมัสสวนังการจะได้ฟังเสียงอักเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นยากแต่สิ่งที่ยากทั้งหมดเนี่ยอยู่เฉพาะหน้าพวกเรานีเราเฉพาะพวกเราไม่โชคดีอะไรเลยพวกเราโชคดีมากสิ่งที่ว่ายากที่สุดอยู่เฉพาะหน้าเราเหมือนกับพระเจ้าทา่านจักเป็นสัมผัสกับข้ามาอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วเหลือแต่เราจะหยิบเข้าวผักนั่นเอง เราหมดจะมองมองึงอตีนไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ความสำคัญไม่ได้หยิบเข้าป่าเราก็น่าเสียดายพวกเราทุกคนไม่ทําตนให้พลาดโอกาสที่น่าเสียดายนี้ไปได้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ทำ อ, อกตั้นใจมาฝึกฝนอบรมนะวันนี้พอุกควรเวลากลับไปภาวนาต่อใครจะเป็นเนต่อกันเนยสว่างกันแล้วกันแหล ะ, ะเรามาครั้งเดียวครั้งนี้ ใครเคยมแล้วออกไม่นับใครเคยจะมาอีกก็ไม่นับเรามาครั้งเดียวครั้งนี้คืนนี้ในสัปชิพเลยก็ได้ในสัปชิยาวนะนะเอายุติแค่นี้ไปพักได้พ่กนี้ถ้าใครต้องการจะทำมัดเช้ากับพระก็ไปทำท่านรวมกันทำที่สี่ที่สีเส่เ็จเ็จ บทสลา <c oughs> บทสลาถ้าใครจะเสียสลากไปยาบุญอีกรอบหนึงตอนเช้าฟัาก็จะทำานเช้า ท, ทุกวันทุกวันอยู่บนฉลานฉลาเนียเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาไปจุดสว่านเดี๋ยวนี้มันสว่าช้านะแล้วมีเวลาภาวนาทีครัวกว็ ไปก็ไปเป็นหมู่สวนด้วยกันได้สวนมุมเสร็จ <c oughs> อยากมาช่วยทำครัวทำอะไรก็มาได้เดีย๋ยวนั่งภาวนาอยู่ทางนน้นก็ได้ก็แล้วแล้วแต่โปรแกรมจะจัดกันหกัดันไป <c oughs> นี่มีใครเคยมาไหมั้งแล้วเนี่ยวลิลน่าเนี่ย <c oughs> ยังไม่เคยมีใครมาสักคนเลย คนที่เคยมา <c oughs> ไม่มาเพราะเรารู<ม>จําใครไม่ได้สักคนเลยเนี่ยออนี้เน่นมาใหม่โโค่ะอ่มีใครได้มาแต่เคยเจอเราใช่ไหมเคยเจอเไปทีออออ่อ๋อเคยเจอเราเกือบทุกคนมั้งเนี่ย อ, อืมพอเราไปที่นู่นดีแลวพวกเราได้ได้หัวหน้าพาทํา หัวหน้าที่อื่นเขาไม่ไนะด้สนนะดยเหตุที่หัวหน้าพาถามพวกเราก็เลยออกนอต่อแขนงมาเก็บเกี่ยวมาเป็นส่วนของตัวไนใช้ได้สอยบางคนก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ